ทุนฝันที่เคารพคะและนี่ก็เป็นเวลาที่จะได้พบกับพระอาจารย์เผบุญอภิปุโนกันอีกแล้วค่ะพ ร, พร้อมๆกับคําถามที่จะกราบเรียนให้ท่านเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะนมัสกการคะทั้งคะาอาจารย์เดนพรค่ะวันนี้มีคําถามเรื่องต้นที่เป็นรายละเอียดเปลีกย่อยแต่ว่าพบเห็นทั่วไปการถ่ายชีวิตโครกระบือค่ะอื ม, มีความสงสัยว่าได้บุญไหมได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะคะการถ่ายชีวิตโครกระบือ ก็คือการให้ทานใช่ไหมก็คือการที่ทําให้เข า, เาทําให้บุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยไม่ต้องฆ่านะคือไม่ฆ่าสัตว์ค่เพราะฉะนั้นก็คือได้ในเรื่องของศีลแล้วก็ไม่ให้มีการฆ่าเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีกระทาไดาา้แล้วก็เป็นการที่ให้เขาไปมีชีวิตอยู่ตามปกตินะไม่ใช่ว่าหลุดจากโรงฆ่าสัตว์นี้แล้วไปอีกโรงฆ่าสัตว์หนึ่ ง, งนะ ก็เป็นสิ่งที่ทําได้นะเป็นเป็นบุญเหมือนกันเป็นทานบุญประเภททานถูกต้องเป็นทานแกชีวิตนี้เหรอคะใช่เป็นความเมตตาอะไรเงี้ยป่ะคะเป็นการเจริญเมตตาบุคคลถูกต้องเป็นการเจริญเมตตาเป็นการที่หลีกเลี่ยงจากการฆ่านะเป็นผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูลหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายค่ะบัณฑิราชใช้บทเพียรชนานี้เพราะฉะนั้นคุณมีความเอ็นดูเกื้อกูลหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายคุณทําอะไรนะให้เขาไม่ต้องถูกฆ่าค่ะอย่างนี้ก็เป็น เป็นบุญอย่างหนึง่งที่เกิดจากการาให้ทานค่ะก็มีคนชอบทํากันเยอะแต่บางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมรู้จักคนนั้นคนนี้บางทีมีคนมาเล่าให้ฟังให้จิตเศร้าหมองอ่ะทา่านค่ะ <cience, S 2> <ๆ>เช่นวัดเนี้ยมีวัวอยู่ตัวเดียวเนี่ยโหได้ตังทั้งไม่รู้เป็นกี่แสนต่อกี่แสนเลยเเวัวที่เราคิดว่าจะถ่าย <c oughs> ชีวิตก็ยืนอยู่ตรงนี้ อ, นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะวางจิตวางใจยังไงดีเราหวาก<อ>มากค่ะทา่านค่ะก็ คืออย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าระบบของบุญเราทําตรงนี้เพื่อหวังอะไรคุณไปถ่ายสโคชีวิตโคกระบือคุณหวังอะไรคุณหวังบุญค่ะถูกไหมคุณต้องเข้าใจว่าระดับของบุญกุศลที่มีเนี่ยมันมีหลายขั้นหลายตอนคในะระดับแรกเนี่ยก็คือการให้ทานในะการให้ทานเนี่ยคุณให้กัตรัต์เดรัจฉานเอาหญ้าไปให้วัววันเกิดเอากล้วยไปให้วัวกินแม่วัวไม่เคยกินกล้วยเลยกินแต่หญ้าแหมแม่วัวกินกล้วยอย่างอร่ออร่อยเราคิดว่าเราจะได้บุญได้ได้หน่อยหนึ่ง เพราะว่าการทําบ oh, <okay. S 2> ุญให้ก <AT> ับสัตว์เดรัจฉานก็ยังได้บุญน้อยกว่าการเอาใหม่การให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทานกับมนุษย์ที่ทุศีนการให้ทานกับมนุษย์ที่มีศีลก็ยังได้บุญมากกว่าให้กับมนุษย์ที่ทุศีนการให้ทานกับสมณะที่ทรงศีนก็ยังดีกว่าการให้ทานกับบุคคลธรรมดาที่มีศีนการให้ทานกับพระโสดาบันก็ยัง มีผลมากกว่าการให้ทานกับพระธรรมดาที่มีศีลนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปโสโดาบันสกทาคารมีนาคามีพระอรหันตนะ์จนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะแล้วการให้ทานที่มีผลมากที่สุดก็คือการถวาย เ, าเสยนาสนะที่ให้แก่สงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศ ต, นะตรงนี้จะได้อ น, นิสง์มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็ยังได้น้อยกว่าการถือศีล การที่จะฆ่าแล้วไม่ฆ่าการที่จะขโมยแล้วไม่ ข, ข, โ, มมขโมยแต่การที่จะพูดผิดในการอย่าทําดีกว่าแล้ว จ, จะด่าเขาพูดโกหกเออเลิกไม่เอาค่ะ <c oughs> จะไปกินเหล้าโอ้ยไม่ทําอันนี้ยังได้บุญมากกว่าถวายเสยนาสะนะแก่สงฆ์ทั้งสี่ทิศอีกค่ะ <c oughs> อย่างไรก็ตามพวกศีลทั้งหมดเนี่ยก็ยังได้อ น, นิสงฆ์ของบุญนี้นั้นน้อยกว่าการจเจริญภาวนา ค, คือการนั่งสมาธิการแผ่เมตตานะการแผ่เมตตาชั่วลัสนิ้วมือเดียวนะก็ยังได้ผลมากกว่าการตือศีลทั้งหมดนะพระพุทธเจ้ายังพูดถึงการเจริญอนุตตสัญญาอานิจจสัญญานะแม้ชั่วเอาใหม่แม้ชั่วลัสนิ้วมือกับชั่วกลั้นลมหายใจนะพูดถึง<า>อย่างนี้อร ม, มาเคยมาทดสอบพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะบอกว่า การเจริญเมตตาช่วงหนึ่งลมหายใจเนี่ยน ะ, อะขอไปการเจริญอนัดอนิจจสัญญาช่วงลัดนิ้วมือนะก็ยังดีกว่าการเจริญเมตตาชั่วงกลั้นลมหายใจรัดนิ้วมือกัลั้นลมหายใจเนี่ยอะไรนะลองทําดูดลมหายใจหนึ่งคุณจะลัดนิ้วมือได้หครั้งลองทําดูอัมอดมาลองทําดูท่านอาจาคะ <laughs> การเจริญอ น, อนิจจสัญญาคืออย่างไร เ, <laughs> เห็นเกิดดับเห็นความไม่เที่ยง นะคุณคคเห็นความไม่ปฏิบัติใช่ ค, คืออันนี้เราพูดถึงการปฏิบัติสองอย่างน ะ, ะด้วยการเจริญเมตตากับด้วยการเห็นการเกิดดับนะคุณเจริญเมตตาเนี่ยเท่ากับการหายลมหายใจครั้งหนึ่งนะกับคุณเห็นการเกิดดับเท่ากับดีดนิ้วเนี่ยเห็นการเกิดดับเท่ากับดีดนิ้วเนี่ยมีอันนี้สองมากกว่าการเจริญเมตตาชั่วนหนึ่งลมหายใจทั้งๆที่ดีดนิ้วครั้งหนึ่งเนี่ยสั้นกว่าลมหายใจหนึ่งอีกนะก็ยังมีอันิี้ส์มากกว่าค่ะ นี่พูดถึงเรื่องการภาวนาเองเลยค่ะนี่เป็นพุทธวจนะที่ได้บัญญัติเอาไว้ทําให้เราได้ทราบว่าอันที่สูงอย่างใดมากกว่ากันนะคะก็เท่ากับว่าถ้าสูงสุดเนี่ยก็คือการเห็นเกิดดับใช่รองลงมาก็คือการเจริญเมตตาเจริญเมตตารองลงมาอีกก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของทานลำดับต่างๆ่เรื่องของศีลเรื่องของศีลรองจากศีลไปก็จะเป็นเรื่องของการให้ทานค่ะศีลมากข้อก็ได้ได้ ผลบุญอันนี้สูสูงกว่าไหมคะสีนเป็นอย่างนี้คือสีนเนี่ยมันมีความละเอียดของสีนเป็นขั้นเป็นตอนค่ะอย่างคาราบาที่ละเอียดขึ้นมาอีกนะเขาก็จะมีศีน์แปค่ะนะพระสงฆ์เองเนี่ยที่ว่าสีน์สีนเนี่ยคือสีนที่ปรับความผิดเนี่ยมีอยู่150ค่ะนะปรับความผิดแต่ที่จรงแมงไม่ปรับความผิดอย่างอื่นก็เป็นศีนแต่ไม่ปรับความผิดค่ะนะเป็นวิธีดําเนินชีวิตตามปกติที่คุณต้องมีเช่นนั่งดื่มน้ำอย่างเงี้ย ก็ไม่มาปรับอาบัติกว่าไม่มาปรับความผิดนะแต่เป็นสิ่งที่คุณควรทําท่านค ะ, อ, อ, ะอย่างที่กราบเรียนถามนะคะีค่ะจานวนสีลมากอานิสงมากตามตัวเลขจํานวนไหมคะอะความเป็นปกติกของชีวิตดีกว่าินันอยารถ้าคุณสาสนาพูดอย่างนี้นะเราต้องไปข้ามไปพูดเรื่องการพรวนาเลยคต่เดี๋ยวอันนี้ดิฉันถามเป็นแต่เนี่มุมที่คิดว่าน่าจะมีคนสงสัยอเพราะว่าเหมือนกับคําถามเนี่ยพามาให้เขาสงสัยแล้วทีนี้อยากจะ กลับเรียนถามท่านนะนะคะว่าอย่างสมมติพอพูดสีเนี่ยเหมือนกับเราจะพูดกันเป็นชุดๆเช่นชุดต่ําสุดเนี้คือศีห้าใช่ไหมคะใชแล้วก็ถัดขึ้นมาก็เป็นศีแปถูกต้องบางคนก็บอกว่าถ้าบวชชีหรือว่าที่สีนสินสิบเนี่ยไม่แน่ใจหรือหรือเนนเนนสามเนนใช่สินสิบไม่ชี้ีินสิบก็มีใช่ไหมคะบางคนก็บอกอุ๊ยไม่ต้องไปโกนศีรษะหรอกแค่นับจํานวนศีนเนี่ยก็ ได้บุญเหมือนกันแต่ทีนี้ที่กล่าวเรียนถามท่านบอกเป็นชุดชุดชดชุ ด, ชดเนี่ยถ้าเรานับถื อ, อรักษาไม่ครบชุดได้ไหมคะเช่นรักษาไม่ครบห้ารักษาศีล6เนะ่ยเอาล้ําเป็นในชุดศีล8ซึ่ข้อเป็นต้นพระพุทธเจ้าใช้หลักเกณฑ์ว่าอย่างนี้ถ้าคุณศาสนาพูดอย่างนี้จะมาเข้าใจอยู่พุทธเจ้าพูดไว้กับนางวิสาข า, ขาพูดบอกว่าเนี่นะพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เนี่ยมีข้อปฏิบัติอย่างงี้ถ้าเธอทําอย่างนี้นะชื่อว่าอยู่ใกล้พระอรหันต์ แม้วันหนึ่งก็คือหนึ่งนี่ ค, คือผู้สีนุปลสดเพราะฉะนั้นเราไล่ไปเลยศีลอันไหนที่ใกล้ใกล้สีลที่พระพุทธเจ้ามีที่พระลานมีมากที่สุดนั่นแนหะได้บุญมากที่สุดเพราะนั้นคุณก็ไล่ไปสิท่านมีอะไรคุณเอาอะไรมาทำไล่ไปเลยทีนี้ที่กลับเรียนถามท่านเนี่ยนะครับพราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ยอย่างสมมุติอยากจะรักษาศีแปดถ้าจะรักษาศีแปเนี่ยเขาไม่ใช่คําว่าอยากค่ะต้องการเขาใช่ไหมคสมมติว่าสมมุติว่าจะรักษาศีแปด แต่ทีนี้ต้องทำงานทำการต้องอหน้าตาปิง๊งปั ง, ปงไปเจอใครเนี่ยนะคะข้อที่ไม่ให้ใช้เครื่องหองเครื่องย้อมเนี่ยเป็นเรื่องอที่ทำได้ยากก็เลยรักษาสีเจ็ดข้ อ, อแต่อยากจะบอกตัวเองว่าเนี่ยพาตัวเข้าไปอยู่ในสีแต่แล้วได้นะคือมีสองประเด็นนะเรื่องศีแต่สีจานวนข้อเนี่ย ค, คือเป็นถ้าเราทำได้มากก็ดี <c oughs> นะถ้าทำได้ได้ข้อไหนทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็จะได้อา น, นิสงส์ตามข้อข้อนั้นไปทีนี้ประเด็นที่สองที่จะพูดเรื่องของการที่แต่งพระพุทธเจ้าใช้คําอย่างนี้บอกว่าคือเธอนั้นเป็นผู้เว้นตขาดจากการทัดสวงประดาประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นหน้าแตกหรือว่าผิวแตกคุณจะเอาอะไรมาทานหน่อยได้ เป็นไปไม่ใช่เพื่อการแต่งตัวอย่างเงี้ยนะเคือแก้ปัญหาอ่ามันเป็นไปได้ส่วนถ้าแต่งตัวต้องออกสังคมอย่างเงี้ยก็ข้อ น, นี้ก็จะไม่ได้ทําแค่ น, น, นี้แต่ทำข้ออื่นไหมเอาทําก็เอาค่ะเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะอยากที่จะต้องการที่จะเป็นคนรักษาศีลพาตัวเข้าไปใกล้ใช่แต่ยังติดขัดปัญหาไม่เป็นไรก็ทําเท่าที่ทําได้ใช้ทฤษฎีเดียวกับที่ท่านได้พูดถึงเรื่องการอยู่กับกามไหมคะ กามคุณอ่าที่ว่าอยู่จะไม่ได้ไปเมาหมกอ่ากําหนัดมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินในกามใช่แต่งไปตามความจําเป็นตามความจําเป็นมันมีประเด็นตรงนี้คือคอรมามีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งเขาเขาก็พอเขามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่แต่งตัวเลยเมื่อครั้เป็นคนสวยมากนะพอมาปฏิบัติแล้วก็ไม่แต่งตัว่อยผมก็เซิกเรกรเซิงผมก็งอกแล้วก็ หน้าตาก็ซี่เซียวปรากฏมีเพื่อนเก่ามารับขับเบ้นซ์มาอย่างดีเลยมารับไปงานบอกโอ้ทำไมเธอเป็นอย่างนี้พูดไปเสียให้หายวันหลังมาเนี่ยต้องเตือนเขาบอกว่าคุณจะไปไหนเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้เขากับสังคมไม่งั้นถ้าเขาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะไม่ดีกับตัวคนที่พูดมันจะเป็นการเปลียดเปลี่ยนเขาเพราะนั้นถ้าเร า, เารู้ว่าเราจะไปสังคมไหนเนี่ยการประพฤต ตัววางตัวเสมอกันเนี่ยเป็นคุณธรรมหนึ่งของสั ป, ปรุตประพฤติเสมอถูกกาละเทศนะใชอยังงั้นเถ อ, อะอเขาเรียกว่าที่คุณธรรมข้อหนึ่งของเพื่อนนะะทเทียกว่าด้วยการวางตนเสมอการ เ, เพราะฉะนั้นการแต่งตัวนี่ก็เป็นนัยยะหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณไปเข้าสังคมแบบนี้เขาแต่งตัวกันอย่างนี้คุณก็ต้องแต่งเพื่อไม่ให้เขามา ไม่เป็นการเบียดเบียนเขาในเรื่องมาจากหฉันติดใจคําว่าเพื่อไม่เป็นการเบียดเบียนเขาเพราะว่าท่านบอกว่าเราเป็นคนรักษาศีลใช่และเพื่อนเขามาว่าเราแบบนี้เราไปเบียดเบียนเขาตรงไหนล่ะคะเพราะว่าผู้ทรงศีลเนี่ยใครมาว่าผู้ทรงศีลเนี่ยคนนั้นจะไม่ดีนะเป็นคนคประพฤติพรหมจรรย์เราเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมผู้ใดด่าบริพาตผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ย จะต้องได้รับความไม่ดีเขาอาจจะไม่ได้ด่านะคะท่านเขาก็เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรล่ะคอมเมนต์วิพากษ์มันก็จะมีความปรารถนาดีอโทษของอันนั้นลดหลั่นกันไปตามลําดับนะคะเพราะฉนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดก็คืออยากให้เขามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ประพฤติตนเสมอการซาค่ะนี้ก็เป็นแง่มุมของให้ปริมาณของเสียให้ดีที่สุดคือชวนเข้ามาปฏิบัติค่ะชวนเพื่อนเหล่านั้นที่เราคิดว่าเป็นใครที่พอเราพอเราจะเชื่อฟัง นะเป็นญาติอมมารสายโลหิตก็ตามเนี่ยควรชักชวนให้เขามารู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ถ้าท่านพูดเรื่องนี้ดิฉันขออนุญาตคุยต่อเลยคือการชวนคนไปวัดเนี่ย <c oughs> มีหลายคนบนแต่ในส่วนตัวเนี่ยจะระวังมาก <c oughs> ว่าคนที่เราพูดชวนเนี่ยเขาท่าทีเป็นอย่างไรนะคะเช่นถ้าทางจะไม่ได้น้มเอียงมาเลยยังอยู่ห่างไกลามากเราก็ ก็ที่หนึ่งอาจจะถึงขนาดไม่ชวนหรือถ้าชวนก็ไม่ขยันขยอรอให้ถึงเวลานั้นทีนี้บางคนเนี่ยพอแมมไปแล้วชอบศรัทธาดีๆของเราเนี่ยเราก็เห็นคนนี้เป็นเพื่อนสนิทนะคะก็พาไปพอพาไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนสนิทเนี่ยเขาไม่ได้ชื่นชมเขาไม่ได้ชอบเขากลับมีข้อตำหนิอีกนี่นก็กลับมาเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่ไงควรจะทาอย่างไรกันดีค่ะคือ คนดีไม่ดีคุณคุณสรรสนีต้องเข้าใจว่าคุณสรนสนีมียานเครื่องอย่างรู้อินทรีย์ของเขาหรือเปล่าค่ะแตเราไม่สามารถจะมาประเมินบุคคลเนี่ยได้จากการที่เราดูภายนอกทั่วๆไปค่ะเพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ดีคนชั่วอยู่ไหนมันก็ชั่วเพรา ะ, ะนั้นคนจะชั่วหรือจะดีก็ชวนเขาไปวัเถอะ และเผื่อเขาจะเป็นคนดีขึ้นมาได้คือคือไม่ได้เกี่ยวกับดีกับชั่วเลยนะคะคือเหมือนกับว่าเจ้าตัวคนชั่วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของที่ฉันนะคะเป็นปัญหาของเพื่อนที่แบบเสียใจมากว่าดูสิทําไมเพื่อนนอกจากเขาเขาเขาจะรู้สึกไม่เหมือนเราแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบไปเลยอืมก็พระพุทธเจ้าก็ยังบอกนะว่าจะทำอย่างไรได้เล่าก็เราเป็นผู้บอกทางเท่านั้นค่ะบอกกับปาม ก็คงจะต้องใช้ลักษณะของการเลือกด้วยแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องผิดบาปอะไรใช่ไหมคะพวกนี้ที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะชวนเข้าไปค่ะเยเราจะเป็นกัลายาณมิตรท่านคะทีนี้อีกคําถามหนึ่งเลยท่านได้พูดถึงเรื่องของการแผ่เมตตาบอกว่ามีอานิสงส์ที่ชั่วกลั้นลมหายใจใช่ไหมคะใช่ดิฉันไม่พูดถึงเรื่องเปรียบเทียบแหละแต่สมมุติว่าจะทําแค่แผ่เมตตาเนี่ยให้ได้อานิสงส์งสูงสุดทีนี้ไปอ่านในบทพยัญชนะ ที่บอกว่าให้แผ่ไปอะไรนะคะทิทิศสหระอ๋อที่สหระคตไปด้วยความเมตตาไปด้วยความเมตตาคือมีคนรู้สึกว่าจะไม่ไม่ง่ายเหมือนกับเวลาที่เราแผ่เมตตาด้วยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีแผ่ให้ง่าย <c oughs> ไหมคะสําสหรับวิธีจะแผ่ง่ายหรือยากเนี่ยเอาเอาคือเราดันไปกลัวครรําศัพท์ค่ะเอาถ้าแปลคําว่าสหระคดตา่าหรือสหระคตเนี่ยเราแปลแค่ว่าประกอบร้อม จิตของเราเนี่ยต้องประกอบพร้อมไปด้วยเมตตาไม่มีเวรไม่มีพยาบาทนะเป็นจิตที่เอนดูเกื้อกูลนะประกอบพร้อมอยู่ด้วยเมตตาอย่างนี้เท่ากับว่าเราต้องทําจิตให้ใพร้อมไปด้วยเมตตาทีนี้ในเรื่องของการอธิษฐานเป็นคําพูดนะถ้าจะให้เป็นการแผ่เมตตาที่สั้นที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพครบถ้วนตามคําสอนนั้นจะต้องกล่าวอย่างไรหรือทําในใจอย่างไรนะอ่ะมันเป็นเรื่องของจิตนะจิตต้องมีกําลังต้องมีต้องมีพลังมากถ้าคุณจะทํานิดเดียวเนี่ยอ่ายกตัวอย่าง เว้นขยายเว้นขยายเนี่ยถ้าจุดที่รวมแสงยิ่งเล็กเท่าไหร่เนี่ยพลังงานจะมากจะสามารถไหมกระดาษได้แต่ถ้าจุดรวมแสงไม่เล็กจุดรวมแสงใหญ่ๆเนี่ยมันก็ร้อนเฉยๆบางทีไม่มีความรู้สึกด้วยซ้ํำเพราะฉะนั้นเหมือนการจิตเราต้องรวมให้เป็นหนึ่งเป็นจิตที่เป็นหนึ่งมากๆค่ะคือจิตที่เป็นพลัง<ช>อาจะแผ่ได้มีผลมากที่สุดถูกต้องแค่นั้นเองจริ ง, ง, รงดิฉันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก กลับเรียนถามท่านพรุ่งนี้ได้ค่ะพรุ่นี้ก็ได้หมดแล้วนะคะก็นมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนมัสการค่ะจ้าเจริญพร